อินทรียปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยมีสองวาระชานปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยมีสองวาระอัิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ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 วิปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยกับนาเหตุตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละสัตตกนัย192สหชาตปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยนาอารมณปัจจัยนาอธิปฏิปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมนันตรปัจจัย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 นิตยปัจจัยกับนารามณปัจจัยมีหวาระกรรมปัจจัยกับนารามณปัจจัยมีหวาระวิปากปัจจัยกับนารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนารามณปัจจัยมีหวาระอินทรียปัจจัยกับนารามณปัจจัยมีหวาระชานะปัจจัยกับนารามณปัจจัยมีหวาระ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 มีหนึ่งวาระในมุงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีนเหตุปัจจัยเป็นมูลณนะอธิปติทุกกนัยเก้เหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระอารมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระ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 มัคคปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนัถิปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิกตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี กวาระติกนัยอารามณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระ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 อาเสวนาปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระกามาปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนาอธิปติปปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ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 สหชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามนาปัจจัยมีหนึ่งวาละอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาละนิตยาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาละกามาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาละวิปากาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาละอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาละอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาละชานะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ วิปปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาร ะ, าจจ ย, ะ, าระย่อทุกขไัยมีนะอนันตรปัจจัยเป็นต้น2องอเหตุปัจจัยกับณนะอนันตรปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยณนะอัญญมัญญาปัจจัยและณอุปนะิสติยปัจจัยมีหวาระ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 วิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจวาระอินทรียปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระชานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระมรคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตต์ปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสวาระ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 นิตยปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิตยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกามปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยและนเหตุตุปาจัยมีสองวาระ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 อัญญมัญญะปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหาระปัจใจกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชาณะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจัยกับละมีหนึ่งวาระ อวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บยอ่อนปปัชาชาตาทุกกไนัองร้ยหเหตุปัจจัยกับนปปัชาชาตาปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยกับนปปัชาชาตาปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนัชาตปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรัปัจจัยกับนปปัชาชาตาปัจจัยมีสามวาระ สมานันตรปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจัยมีสามวาระสหชาตปัจัยกับนปัจชาตปัจัยมีเก้าวาระอัญญาัญญปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจัยมีสามวาระนิตยะปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจัยมีเก้าวาระอุปนิตยะปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจัยกับนัปปฉาชาตปัจัยมีสามวาระ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 อัญญะมัญญปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยมีสามวาระนิตยะปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิตยปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยกับณอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 วิปยุตตาปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยกับและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาทีปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ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 อินทรียปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยและนะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและน่ะเหตุถูกปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและน่ะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 สหชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุถูปัจจัยมีสองวาระอัญญะมัญญะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุถูปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุถูปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุถูปัจจัยมีสองวาระ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 อาหารปะปัจจัยจจ ก, จจกับละมีหนึ่งวาระอินทรีย์ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชาณาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคัตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนสัมปยุตตทุกไกนองรอย้ยยี่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 อธิปัจจัยกับนสัมปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยกับนสัมปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนวิปยุตตาทุกขไนสองยยี่สิบห้าเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระ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 อธิปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระนาธิปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระวิขตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระอวิขตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและณเหตุุปัจจัยมีสองวาระจตุกนัย227 สหชาตปัจจัยกับนวิปยุตปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อวิคตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บยอ่อ